สิ่งที่พวกเราเชาวพุทธควรจะกระทำกันเป็นประจำก็คือทำบัญชีจดบัญชีบุญและบาปที่เราทำกันในแต่ละวันเหมือนกับนักธุรกิจบริษัทการค้าเขาจะมีบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนเขาจะได้รู้ว่า บริษัทกำลังกำไรหรือกำลังขาดทุนจะได้ปรปับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงทีถ้าไม่ทำบัญชีสิ้นปีมาปิดบัญชีที่อาจจะต้องปิดกิจการก็ได้เพราะเป็นหนี้มากติดลบมากาใจของพวกเราก็เป็นเหมือนกิจการอั น, อนหนึ่งเป็นบริษัทอันหนึ่ง เป็นบริษัทที่จะต้องรับผลกระทบจากจากการทำบุญทำบาปของเราและการทำบุญทำบาปของเรานี้เราควบคุมได้เราควบคุมให้ให้ทำบุญให้มากกว่าทำบาปได้แต่ถ้าเราไม่คอยจดบัญชีดูว่าตอนนี้ บัญชีของเราไปทางบุญหรือไปทางบาปเราก็จะแก้ไขได้ถ้าเราไม่ทําบัญชีส่วนใหญ่เราจะไปทางบาปกันเพราะว่าใจของเรานี้มันมีน้ําหนักไปในทางบาปมากกว่าไปในทางบุญสำหรับคนส่วนใหญ่คือ ใจของเรามันมีกิเลสนะความโลภความอยากต่างๆแล้วความโลภความอยากนี้มันมักจะบางครั้งทำให้เราต้องไปทำบาปกันนะเพราะว่าเมื่ออยากแล้วไม่ได้โดยที่ไม่ทำบาปมันก็ต้องทำบาปนะอยากได้แฟนหาแฟนไม่ได้เอาเอาแฟนเพื่อนก่อนนี่ <laughs> เพราะอยู่ใกล้กันรู้จักกันใช่คนอื่นหาไม่ได้ก็เอาแฟนเพื่อนมานี่นี่คือทำไมเราจึงต้องคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมของเราเพราะว่าใจของเรานี่มัน มันจะไปทางบาปง่ายกว่าไปทางบุญอยู่ยกับพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาหาเจะจะหาว่าคนทุกคนจะทําบาปกันไม่มีใครอยากจะทําบาปกันแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันถูกบังคับหรือตกกระไดพลอยโจนมันชอบมีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่เคยคิดว่าจะทําก็ทําได้บางทีลุกกะโทสะก็มี ลุกแก่โมหะก็มีลุกแก่โลภะก็มีอย่างตอนนี้เราอยู่ตรงนี้จิตใจเราเฉยๆคิดว่าไม่ชาตินี้ไม่ทําบาป ก, ก็ทําได้เออย่างตอนนี้มันคิดได้แต่พอมีเหตุการณ์อะไรมามากระตุน้นกิเลสให้มันโผล่ขึ้นมานะถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราไม่มีอะไรยับยั้งใจของเรามันก็จะ ดึงเราไปในในทางบาปได้ดังนั้นเวลาเราทาอะไรวันวันหนึ่งเราควรที่จะมาสำรวจตัวเองว่าวันนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลานี้เวลาจะนอนอย่างงี้ให้เราลองสำรวจดูว่าวันนี้เราทําบาป ก, กี่ครั้ง มีบาปแบบไหนบ้างบาปมันก็มีหนักมีเบาแล้วก็มีส่วนที่ยังไม่เป็นบาปแต่กำลังจะเป็นบาปก็คือพวกอบายามุกต่างๆอบายามุกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ถือว่าอยู่ใกล้ประตูบาปอบายแปลว่าที่ไปของคนทำบาปมีสี่ เดลฉานเปรตอสุรกายนารกนะครแล้วผู้ที่ไปอยู่ที่ประตูก็เรียกว่าอบายมุกผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกนี่ก็เป็นพวกที่อยู่ <c oughs> ใกล้ประตูอยู่ที่หน้าประตูของอบายเข้าไปง่ายกว่าคนที่อยู่ไกล เมเวลาเตะฟุตบอลนี่เขาจะต้องพยายามเลี้ยงลูกให้เข้าไปใกล้ประตูที่สุดก่อนใช่ก่อนที่เขาจะยิงถ้ายิงจากที่ไกลมันโอกาสที่จะเข้าประตูนี่มันยากมีหนึ่งกำลังมันไม่แรงพอลูกมันมาเบาผู้รักษาประตูก็จับได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราไล่ลูกเข้าไปให้มันใกล้ๆประตูนี่ พอยิงก็ไปนี่ผู้รักษาประตูรับไม่ได้นะนี่คืออบายามุขเนี่ยอย่าเลี้ยงจิตใจของเราไปอยู่หน้าประตูธรรมะคือผู้รักษาประตูจะรักษาไม่ได้นะสู้ไม่ไหวถึงแม้จะมาวัดเรื่อยๆแต่ถ้าลองไปเสพอบายามุขดูทำต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนี่มันจะ จับใจของเราป้องกันใจของเราไม่ให้เข้าไปในอบายไม่ได้นวทางที่ดีอย่าเสี่ยงดีกว่าอย่าเอาใจเราไปที่ประตูของอบายคืออย่าไปเสพอบายามุกอบายามุกก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งเดิมสุรายาเมาสองเล่นการพนัน สามเที่ยวกลางคืนหรื อ, อหรือกลางวันตัวใหญ่จะพูดเน้นไปเที่ยวทางกลางวันกลางคืนกันเพราะสามตัวนี้มันมักจะไปด้วยกันะไบลาสเวกัตทีนี้มันได้หมดทั้งสามตัวได้ทั้งห้าตัวเลยเอา่าอีกสองตัวคืออะไรก็คื อ, อคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรแล้วตัวที่ห้าก็คือความเกลียดกลั้น คือไม่ชอบทำงานชอบเที่ยวชอบเล่นเนี่ยพวกนี้ห้าตัวมันมักจะไปพร้อมกันนะที่อบายยมุกเนี่ยไปพัทยาใต้หรือไปแถวแถวลาดเวกัสแถวแถวชายแดนปลอยเป็ดเนี่ยจะมีของพวกนี้อยู่ครบชุดเลยเอาบายยมุกมีสุราให้ดื่มมีการพนันให้เล่นมี แล้วก็มาเก็ตเล่นกันตอนกลางคืนกันนี่เออที่ยวมีเล่นมีละครมีระบำมีอะไรต่างๆให้ดู <c oughs> บันเทิงแล้วก็มีคนที่ชอบพวกนี้เพราะคนที่ไม่ชอบจะไม่ไปที่เหล่านั้นออถ้าไปที่นั้นก็จะเจอแต่คนที่ชอบอาบายามุข เ, เดี๋ยวไปรู้จักกันเดี๋ยวก็ชวนกันไปต่อ อาทิตย์หน้าไปหมาเกาบ้างอาทิตย์ต่อไปไปอฮ่องกงไปไหนชวนไปเล่นกันนนี่ก็เป็นอบายมุกเพราะอบายมุกไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่ว่ามันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเองถ้าใช้มีแต่ใช้ไม่มีไม่มีหามาเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้ พอไม่พอใช้ไม่มีงานทำจะหาเงินอย่างไรก็ต้องหาโดยวิธีไม่ชอบนั่นเองทำบาปขอรับชั่นช่อโกงหรืออะไรต่างๆ <c oughs> น, นี้นำไปสู่การทำบาปนำไปสู่การลักทรัพย์ประพฤติผิ ด, ผดประเวณีโกหกหลอกลวงหรือไม่ทำไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมบางครั้งก็อาจจะถึงแก่การฆ่าฟันกัน เช่นถ้าไปป้นไปจี้เกิดการต่อสู้กันค่ะเขาก็เช่นไปป้นร้านขายทองเนี่เจ้าของทองเขาก็มีปืนพอเขาฟากปืนออกมาเราก็มีปืนเราก็ต้องป้องกันตัวเองเราก็ต้องฆ่าเขา <c oughs> ทำบาปแล้ว บาปนี้จะเป็นตัวที่จะมาดึงจิตใจของเราให้เข้าไปในอบายต่อไปไม่มีอะไรที่จะดึงเราเข้าไปในอบายได้นอกจากบาปถ้าเราไม่ทําบาปเนี่ยรับรองได้ว่าไปอบายไม่ได้แต่ถ้าทําบาปแล้วไปได้ผ้าเหลืองนี้ก็ป้องกันไม่ได้ถึงแม้จะมาห่มผ้าเหลืองลองไปทําบาปดู เทวทัตนี่ก็บวชมาต้องหลายสิบปีมีสมาธิมีอภินยาช่วยไม่ได้สมาธิอภินยาผ้าเหลืองเนี่ยพ อ, อไปทำบาปเข้านี่บาปนี่หละมันจะเป็นตัวที่ฉุดลากให้เข้าไปในอบายเนี่ยเทวทัตนี่บวชมานานเป็นสิบปี ได้อภิญญาแต่ไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ปัญญาไม่มีปัญญาการมีอภิญญานี้ยังไม่สามารถที่จะกาจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ความโกรธได้พอได้อภิญญาก็คิดว่าตนเองฉลาดตนเองเก่งก็ขอพระพุทธเจ้าให้เป็นประธานสง์เลย พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้คนอย่างเทวทัตมีกิเลสเต็หมหัวใจจะมาเป็นประธานของพระที่ที่ไม่ต้องการกิเลสได้อย่างไรก็เลยปฏิเสธพาปฏิเสธก็โกรธอภิญญานี่ระ ง, งับความโกรธไม่ได้ ไม่เหมือนปัญญาถ้าเป็นปัญญานี่จะไม่โกรธ ถ, ถ้าขออะไรแล้วไม่ได้ก็เฉยท่านเองแต่คนมีปัญญาก็จะไม่ขอกันคนมีปัญญาไม่หิวคนไม่มีปัญญานี่หิวมีความอยากแต่คนมีปัญญานี่จะคอยกำจัดความหิวความอยาก เพราะคนปัญญารู้ว่าการทมตามความหิวตามความอยากนำไปสู่ความทุกข์ก็จะไม่มีความอยากได้อะไรอยากมีอะไรอัครสาวกสององค์นี่เป็นเป็นพาาระอรหันต์ไม่ได้เคยคิดจะขอพระพุทธเจ้าเป็นประธานแทนพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านมีปัญญา ใจท่านไม่มีกิเลสปัญญาเป็นผู้กำจัดกิเลสทำให้ไม่หิวไม่อยากได้อะไรแต่พวกที่ยังไม่มีปัญญามีแต่สมาธิแล้วโดยเฉพาะพวกที่มีอภิญญานี้อาจจะหลงได้อาจจะคิดว่าตนเองวิเศษตนเองเก่งสามารถทำอะไรที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้ ก็เลยคิดว่าตนเองเก่งก็เลยเกิดกิเลสตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็จะทำให้เทวทัตเรียกว่าตนควรจะเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าก็เริ่มมีอายุมากแล้วไม่มีกำลังวังชาก็เลยไปขอประทานขออนุ ญ, ญาต พระเจ้าก็ปฏิเสธทรงพูดว่าขนาดอกคัลละสาวกของเราเรายังไม่ตั้งเลยแล้วเธอเป็นใครพู้ทนี้ก็โกรธอาฆาตพย า, าพยามทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกก็จ้างคนไปฆ่าแต่พระพุทธเจ้าก็ แสดงทำให้คนที่ไปฆ่าฟังจนเขาเปลี่ยนใจเห็นโทษของการทำบาปแล้วก็ได้รับความเมตตาของพระพุทธเจ้าช่วยชีวิตเขาเอกีกบอกว่าอยากกลับไปทางเดิมเพราะเขาส่งคนอีกชุดหนึ่งมาฆ่าพวกเธอเพื่อุเพื่ อ, อ, อปิดปากอยากกลับไปทางเดิมอันนี้คือ ความพยายามครั้งที่หนึ่งส่งจ้างคนไปฆ่าก็ไม่สําเร็จครั้งที่สองก็เลยปล่อยช้างออกมาเพื่อหวังให้เหยียบพระพุทธเจ้าไม่ตายแต่ช้างพอเจอพระพุทธเจ้าเจอความเมตตาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทําอะไรเลยครั้งที่สามเลยต้องปีนขึ้นไปบนเขารอให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาแล้วกิ้งเห็นก้อนใหญ่ลงมาเพื่อหวังให้ ทับพระพุทธเจ้าตายแต่ทําได้ก็เพียงแต่มีสกเก็ดหินไปถูกลอยพระบาททําให้ท่อเลือดเท่านั้นเองอการกระทํากรรมต่อพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมนี้มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือเป็นกรรมที่หนักที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับโทษทางโลกก็คือโทษประหารชีวิต ม, มีอยู่ห้าด้วยกันหนึ่ง ฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอาหารหันต์สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงเกิดการแตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักของทางพระพุทธศาสนาใครได้ทำกรรมอันนี้แล้วแม้ในทั้งชีวิตเคยทำบุญมามากน้อยเพียงไรก็ตามบุญที่เคยทำมานี้จะ สู้กำลังของบาปคืออนันตาริยกรรมไม่ได้จะต้องไปรับผลของกรรมก่อนไปใช้บาปก่อนก่อนที่จะกลับมารับผลบุญของรับผลบุญต่อไปเพราะว่าบาปมีกำลังมากกว่าถ้าได้ทำอนันตาริยกรรมกรรมที่หนักที่สุดห้าข้อด้วยกันพระเทวทัศน์ก็เลย หลังจากที่พยายามทำไม่สำเร็จก็เลยเกิดความเสียใจแล้วก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมาว่าตนเองกระทำสิ่งที่ร้ายแรงก็เลยไปเข้าเฝ้าเพื่อจะกราบข อ, อขอประทานอภยัยโทษขอขามาช่วงก่อนจะไปถึงก็ ถูกแผ่นดินสูปก่อนจะตายก็ขอถวายข้างอาการให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาความสำนึกผิดนี้ทำให้พระเทวทัตมีโอกาสกลับมาได้ดิบได้ดีได้แต่ก็ต้องไปใช้กรรมก่อน ต้องไปตกนรกก่อนแล้วหลังจากที่พ้นจากนรกมาแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นพระปเจกิกะพุทธเจ้าต่อไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาบาเพ็ญใหม่ปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็จะได้บรรลุภาพปเจกิกบพระพุทธเจ้าต่อไปอนี่คือเรื่องของบัญชีบุญบัญชีบาปต่างๆ ที่เราควรที่จะจดบันทึกไว้ถ้าเราทำได้วันนี้เรามาทำบุญกี่บาทใส่เข้าไปวันนี้เราทำบาป ก, กี่ข้อโกหกกี่ครั้งเราฆ่าสัตว์กี่ตัวเสพประบายามุขกี่ครั้งวันนี้ไปเดิมสุราคืนนี้มีงานเลี้ยงจะไปเดิมซุราหรือเปล่า เดี๋ยวมีงานฉลองวันเกิดเมีงานอามีงานแต่งงานมีงานอะไรต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงอาบายามุกให้ไดเ้เพราะว่าเดิมไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะติดติดแล้วก็จะเดิมมีงานไม่มีงานก็จะเดิมตอนต้นก็ต้องมีงานให้เดิมก่อนพอเดิมแล้วมันติดทีนี้งานมีแล้วไม่มีก็มันเดิม เพราะว่ามันเวลาดื่มมันทำให้มีความรู้สึกสบายใจชั่วคราวแต่มันทำให้ติดนะนี่คือเราควรที่จะคอยจดคอยบันทึกเพื่อเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีว่าช่วงนี้กำลังหนักไปทางบาปนะ บาปนี่มันก็หนักตามข้อเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยหนักกว่าข้อที่สองข้อที่สองหนักกว่าข้อที่สามข้อที่สามก็หนักกว่าข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็หนักกว่าข้อที่ห้าแต่ก็พูดแบบกลางๆนะแต่ถ้าข้อที่สองบางทีถ้ามันทำมากกว่ามันก็อาจจะหนักกว่าข้อที่หนึ่งได้ ก็ในแต่ละข้อมันก็มีความหนักเบาไม่เท่ากันการฆ่าคนนี้ฆ่าสัตว์นี่มันมีความหนักเบาต่างกันอย่างที่เมื่อกี้พูดถ้าฆ่าคนที่มีพระคุณมากนี่ถือว่าเป็นเป็นโทษเป็นบาปหนักฆ่าสัตว์ที่มีคุณมากนี่มีโทษหนักฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อยมีโทษน้อยกว่าเช่น ค่ามนุษย์น่ยค่ามนุษย์นี้มนุษย์ด้วยกันนี้ก็ยังมีหนักมีเบาค่าคนที่เราไม่รู้จักกับค่าพ่อค่าแม่นี้ก็ต่างกันคนที่เราไม่รู้จักบางทีเร า, เาไปเที่ยวไปทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ลูกแก่โทสะก็ฆ่าเขานี้ค่าคนที่เราไม่รู้จักกับค่าคนที่เป็นพ่อคุณเช่นพ่อแม่นี้ก็มีน้ำหนักต่างกัน ค่ากี่ครั้งกี่คนก็มันก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปโทษมันหนักเบาต่างกันลักทรัพย์ก็เหมือนกันลักทรัพย์น้อยก็เบาก็โทษน้อยกว่าลักทรัพย์มากลักทรัพย์สิบบาทกับลักทรัพย์อหนึ่งแสนี่ยทรัพย์หนึ่งแสนมันก็มีโทษต่างกว่าทรัพย์สิบบาทอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟัง จะได้รู้จะได้ประเมินถูกว่าให้เรากําลังทําบาปทําบุญมากน้อยเพียงไรการทําบุญก็มีน้ําหนักมากน้อยต่างกันไปเหมือนกันทำสิบบาทก็ได้น้อยกว่าทำร้อยบาททำร้อยบาทก็มากกว่าได้น้อยกว่าทํำพันบาทอันนี้ก็เป็นวิธีวัดวัดที่คุณค่าราคาของ ของข้าวของเงินทองที่เราได้เสียสละไปมันก็จะเป็นตัวน้ำวัดน้ำหนักของบุญที่เราได้ทำกันแต่ระหว่างน้ำหนักของบุญกับของบาปนี่บางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนมันหนักมันเบามากกว่ากันเราก็จะสังเกตได้จากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราทำบุญเนี่ย ถ้าเราทำบุญนี้เราจะได้อย่างอนิสงส์ดัางนี้เกิดหนึ่งจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับถ้าเราไม่มีความสุขในทั้งขณะที่ตื่นที่หลับมีแต่ความวุ่นวายใจกังวงใจไม่สบายใจนี่สแสดงว่าบุญเราน้อยกว่าบาปแล้วต้องดูที่ตรงนี้ ถ้าเรามีความสุขทั้งขณะที่หลับและขณะที่ตื่นตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายสังเกตดูเวลานอนหลับนี่ฝันร้ายมากกว่าฝันดีหรือเปล่าหรือฝันดีมากกว่าฝันร้ายอันนี้ก็จะเป็นตัววัดบุญและบาปของเรานอกกนั้นก็ยังมี คนที่ทำบุญนี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรามีคนรักมากกว่าคนเกลียดหรือเปล่าหรือมีคนเกลียดมากกว่าคนรักสังเกตดูคนบางคนเราดูติดตามข่าวข่าวเป็นยังไงเรารู้เลยว่าคนบางคนนี้คนเกลียดมากกว่าคนรักคนบางคนนี้คนรักมากกว่าคนเกลียดก็อยู่ที่พฤติกรรมของเขานั่นแหละ ถ้าไปทำความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็มีแต่คนเกียดถ้าไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็มีแต่คนรักทำคุณทำประโยชน์ก็เรียกว่าทำบุญนี่เองทำความเสียหายทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าทำบาปอันนี้ก็เป็น การประเมินได้ว่าบุญของเราและบาปของเราอันนั้นอันไหนมากกว่ากันมีมนุษย์และเทวดารักเราบ้างหรือไม่หรือมีแต่คนเกลียดเราไปไหนก็มีแต่คนเกลียดเราอันนี้ก็เป็นตัววัด อ, อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือคนทำบุญจะมีเทวดาคุ้มครองอันนี้ เราทำอะไรเราไปเจอเหตุการณ์อะไรแล้วแควคาดปลอดภัยมาหรือไม่เนี่ยบางทีไปเจอเหตุการณ์ที่ที่ที่เสี่ยงต่อความเป็นความตายแล้วรอดมาได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเทวดาคุ้มครองเราก็ได้ <c oughs> อันนี้ก็แล้วจะอันนี้คนทำความดีนี้จะไม่ตายด้วยอาวุธหรื อ, อยาพิษเนีย มีใครเตรียอ่มีใครจ้องฆ่าเราบ้างหรือเปล่ามีใคร <c oughs> อ่มุ่งต่อการทำร้ายเราหรือเปล่า อ, อันนี้เห็นไหมพวกที่ต้องมีบอดี้การ์ดมีอะไรนี่ทำไมต้องมีด้วยก็เพราะว่ามีคนจ้องทำร้ายนั่นเอง ถ้าจ้จจองทำร้ายก็เพราะว่าคงจะไปทำอะไรไม่ไมดีมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาก็อาฆาตพยาบาทได้ออพวกทีออ่ทำบาปนี่จึงมักจะต้องมีออรอปรอไว้คอยบกบ่องรักษาออแล้วก็ดูหน้าตาของตนเองก็ได้ว่าคนทำบุญนี้หน้าตาจะผ่องใส ถ้าหน้าตาขำเศร้าหมองนี่แสดงว่าไม่ได้ทำบุญนะแต่ถ้าหน้าตาเบิกบานผ่องใสนี่เรียกว่าทำบุญทำบุญมากกว่าทำบาปแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเคยนั่งอยากจะนั่งสมาธินั่งได้หรือไม่คนที่ทำบุญนี้จะนั่งสมาธิได้ง่ายสงบใจจะสงบง่าย กคนที่ไม่ได้ทำบุญนะแล้วประการสุดท้ายอันนี้ตอนเวลาตายตายไปจะไปสู่สุคติคนที่มีบัญชีบุญบวกมีบุญมากกว่าบาปตายไปจะไปสู่สุคติคือไปเป็นเทวดาก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ นี่สิ่งเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมนี่ไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นว่าคนนี้ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่ไม่ไม่ไม่เข้าข่ายไม่เกี่ยวข้องไม่เชื่อบุญเชื่อบาปทําบาปได้เต็มที่เลยไม่มีผลอย่างนี้ไม่ใช่จะเชื่อไม่เชื่อมีผลเหมือนกันเออ จะรู้หรือไม่รู้ก็เหมือนกันจะรู้ว่ามีกฎแห่งกรรมหรือไม่รู้ว่ามีกฎแห่งกรรมถ้าไปทําผิดกฎแห่งกรรมมันก็มีผลตามมาเหมือนกันถ้าไปทําบาปมากกว่าไปทําบุญตายไปก็ต้องไปอบาย <c oughs> จะรู้หรือไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ไม่สําคัญ เหมือนกับกฎหมายทางโลกนี้บางทีเราก็ไม่รู้แต่พอไปทําผิดถึงจะมารู้ทีหลังว่าผิดะผิดเขาก็บอกว่าบอกไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องถ้าเป็นต้องจ่ายค่าปรับก็ปรับบางนี้ขับรถเร็วเกินไปนตำํำรวจก็เรียกจับอย่างนี้บอกไม่รู้ก็ไม่รู้ก็เขาก็ไม่ไม่สนใจ <c oughs> <c oughs> นี่ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราแต่ถ้าพวกเราไม่รู้หรือไม่เชื่อก็อาจจะไม่สนใจแต่พอถึงเวลาไปรับผลจะก็ยับยั้งมันไม่ได้พวกเราบางคนอาจจะคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็ได้นั่คือตายแล้วจบ ตายแล้วบุญกับบาปที่เราทํากันนี้ก็ไม่มีผลต่อไปเพราะทางโลกทางกฎหมายเขาถืออย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเวลาคนตายแล้วเขาไม่จับมาลงโทษอีกล้ะทำบาปเป็นโจรมหาโจรอย่างไรถ้าถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายปั๊บก็ไม่เอาไปขึ้นศาลไม่เอาไปประหารเดี๋ยวว่าถ้าตายโดยธรรมชาติหนีตำรวจได้แล้วก็ตาย แล้วพอตายแล้วเขาก็ไม่มาจับตัวไปเข้าคุกเข้าตารางอีกต่อไปอันนี้กฎหมายทางโลกทำอย่างนี้เทาวาจบทำดีทำอะไรก็จบหลังวีรางวัลควรจะได้รับก็ไม่มีให้รับเวลาตายไปแล้วแต่สมัยนี้เขามีให้ย้อนหลังนะอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาตายในหน้าที่การงานยังมีการให้รางวัล แต่คนตายก็ไม่ได้รับอยู่ดีก็ให้ไปทางครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ได้เงินชดเชยหรือเงินอะไรต่างๆแล้วก็ได้เกียรติเวลาตายก็ได้เลื่อนขั้นสิบขั้นอย่างี้เป็นในสิบก็มาเป็นในพันเลยแต่เป็นตอนตายอันนี้ ต่าง ก, ก, กันกับทางกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ตายไปเป็นเวลาที่กฎแห่งกรรมเริ่มทำงานเริ่มจับดวงวิญญาณของเราที่ออกจากร่างนีไปจะจับเราไปสวรรค์หรือจับเราไปอบายก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำกันไว้ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะไปสวรรค์กัน ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะไปอบายกันอบายก็มีต้องสี่ที่เพราะการทำบาปก็มีสี่ลักษณะทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปแล้วบอกไม่รู้ว่าบาปอย่างนี้เขาจะให้จับไปอยู่เป็นเดรัจฉานพวกเดรัจฉานนี่เขาไม่รู้ว่าเขาทำบาปกันเขาต้องเลี้ยงชีพของเขาด้วยการฆ่ากัน เขาก็เลยเป็นเดรัจฉานกันพวกมนุษย์ที่มาทำอาชีพแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากรวยอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้อะไรทำไม่ไม่ทาบาปแนละ้วมันได้น้อย สู้ทำบาปไม่ได้ทำบาปแล้วได้เยอะกว่าแม้ถ้าเป็นข้าราชการกินเงินเดือนก็เดือนแล้วไม่กี่หมื่นกี่แสนแต่ถ้าทำบาปนี่กินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็มีเห็ถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยก็ไปเป็นเดะชะฉานแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัว ภัยต่างๆกลัวสัตว์ชนิดนั้นกลัวสัตว์ชนิดนี้ก็ฆ่ามันซะก่อนกลัวยุงก็ฆ่ายุงกลัวมดก็ฆ่ามดกลัวอะไระก็คอยกําจัดกลัวคนก็ฆ่าคนก็มีกลัวเขาจะมาฆ่าเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนอันนี้ก็ตายไปก็ไปเป็นอริยสุลกายดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายมีร่างกายเพียงเดรัจฉาน นอกั้นเปรตก็ไม่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยมีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยดวงวิญญาณที่เป็นนสุลกายก็เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความกลัวต่างๆแล้วก็ถ้าถ้าทำบาปด้วยความโกรธ ด, ด้วยความมาคาาพยาบาทเนี่ยจองเวรจองกรรมเนี่ยก็จะไปนรก เทวทัตเนี่ยทำบาปด้วยความาด้วยความโกรธพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะโกรธเนี่ยตายไปก็ต้องไปนรก <c oughs> นรกก็คือดวงวิญญาณที่ทุกขกับทุกด้วยความโกรธความเครียดแค้นหาคาตพยาบาทมันก็จะเป็นลักษณะขณะที่เป็นดวงวิญญาณเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันร้ายเนี่ย ฝันร้ายในรูปแบบต่างๆฝันร้ายในรูปแบบของงานความอาฆาตพยาบาทตามล้างตามฆ่ากันหรือฝันร้ายแบบความกลัวก็คอยปกป้องรักษาชีวิตของตนด้วยการคอยฆ่าคนนั้นฆ่าสิ่งนั้นฆ่าสิ่งนี้ส่วงวิญญาณที่เป็นเปรตก็จะฝันแต่เรื่องอดอยากขาดแคลนหิวโหยต้องดินล น, หา น, นหานู่นหานี่มา หามาก็ไม่พอกินสักทีไม่เคยรู้จักคำว่าอิ่มว่าเป็นอย่างไร <c oughs> นี่คือลักษณะของอบายที่เกิดจากการทำบาปถ้าเรา <c oughs> ทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปนี่บาปมันจะส่งผลก่อนแต่บุญนี้ไม่ได้หายไปไหนนะบุญนี้ต้องรอเข้าคิวก่อน รอให้เข้าคิวถึงช่วงที่มีบุญมีมากกว่าบาปจะมาจะมารอก็ต้องรอกลับมาเกิดใหม่ช่วงที่ตายไปสมมติว่าตอนที่เราตายไปนี้บาปมีกำลังมากกว่าบุญสมมติว่าบาปมีร้อยหนึ่งบุญมีห้าสิบีก็ไปใช้บาปในอบายก่อนจนกว่าบาปจะลดลงมาเหลือห้าสิบเท่ากับบุญ พอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็จะไปทางอยู่อยู่ในอาบาลไม่ได้เพราะไม่มีอะไรดึงไว้จะไปทางบุญก็ไม่มีอะไรดึงไปเพราะมันห้าสิบห้าสิบมันอยู่ตรงกลางตอนนั้นแหละดวงวิญญาณก็จะมาเป็นมนุษย์ต่อไปจะมาได้ร่างกายของมนุษย์ ฉะนั้นเวลาที่เรามาเกิดเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเรากําลังอยู่ห้าสิบห้าสิบบาปก็ห้าสิบบุญก็ห้าสิบบาปเก่าที่ทําไว้ยังไม่ได้ใช้ก็เหลืออยู่ห้าสิบบุญที่ทําไว้ยังไม่ได้รับผลก็มีอยู่ห้าสิบเราก็เริ่มกลับมาทําบุญทําบาปกันใหม่ต่อไปฮ ถ้าถ้าเกิดมาชาติใหม่นี้เกิดมีโอกาสได้ทำบุญมากกว่าทำบาปอาจจะโชคดีถูกอรอตตรี่แล้วก็แบ่งเงินที่ถูกออตตรีตร่มาทำบุญก็จะได้บุญมากกว่าได้บาปนี้พอคราวนี้ตายไปถ้าบุญมากกว่าบาปถ้าบุญร้อยหนึ่งบาปห้าสิบก็จะไปรับผลบุญก่อน ใช้รับผลบุญจะ ก, กับบุญจะลดลงมาเหลือห้าสิบเท่ากับบาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นี่คือลักษณะของดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนที่กลับมาเกิดแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ตายไปเป็นอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆและจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้า พระธรรมหรือพระสงฆ์ทําไมการพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าเราจะได้ออกจากวงจรอุบาต this เสียทีถ้าเราไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะติดอยู่ในวงจร อ, อุบัตินี้กลับมาเกิดมาแล้วก็มาทำบุญทำบาปแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับผลบุญหรือผลบาป แล้วแต่ว่าบาปหรือบุญอันไหนจะมากกว่ากันพอบุญกับบาปลดลงมาเหลือเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปใหม่เราทําอย่างนี้มาไม่ไม่รู้กี่แสนล้านครั้ง่ะน่าจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเหมือนกับมันมันค้าๆว่ามันติดเป็นนิสัยไป เคยทาอย่างนี้มากี่พบกี่ชาติกับมาเกิดมันก็จะมาทําอย่างนี้ต่อไป <c oughs> แต่ถ้าเรามาพบกับพระพุพะทธธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเจอพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้ท่านจะรู้วิธีออกจากวงจรอุบาทนี้ รู้วิธีที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาทำบุญทำบาปแล้วก็เวลาตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปอกีกไม่มีใครรู้วิธีที่จะออกจากวงจรอุบาทนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นเพราะว่าท่านต้องการที่ออจะออกจากวงจรอุบาทนี้ท่านก็เลยค้นคว้าหาวิธี จนในที่สุดก็ค้นพบวิธีออกจากวงจรอุบาทได้เป็นคนแรกเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยพยายามหาทางออกจากคุกแล้วในที่สุดก็เจอช่องโหว่ของกําแพงคุกพอออกพอรู้ช่องแล้วทนี้ก็กลับมาบอกเพื่อนฝูงที่อยู่ในคุกเฮ้ยใครอยากจะออกจากคุกนมาทางนี้นะ ไปทางนี้มีช่องโหว่อยู่ตรงตรงนี้ไม่มีใครมองเห็นเพราะมีพุ่มไม้มันบังอยู่แต่ถ้าเราคารใต้พุ่มไม้เข้าไปเดี๋ยวก็จะเจอรูกำแพงทำให้เรานี่หนีออกจากกำแพงคุกได้นี่คือลักษณะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านรู้จักทางออกสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ต้องมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาค้นพบทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่าตายเกิดแล้วถ้าเราได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ทาบุญละบาปให้ ชำระใจให้สะอาดบริสุทธนะิ์นนี่คือช่องโหว่ของของกำแพงที่ขังพวกเราไว้ให้ติดอยู่ในคุกนะถ้าอยากจะออกต้องใช้การทําบุญใช้การละ บ, บาปใช้การรักษาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธนะิ์นถึงจะทําให้เราหลุดออกจากการเวียทว่ายตายเกิดได้ เจอพระพุทธเจ้าก็ดี mm. ก็จะได้ฟังธรรมแบบสดส ด, สด น, อนนอน น, นดีที่สุดถ้าได้เจอพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะได้อธิบายได้อย่างละเอียดไม่เข้าใจก็ถามได้ mm. มีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายที่สุดถ้าได้เจอพระพุทธเจ้าลองลงมาก็เจอพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาและได้ค้นพบทางที่ ทำให้ตนเองได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเจอพระอริยสงสาวกไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันก็ดีพระสกิด า, าคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีหรือพอระอรหันก็ดีท่านจะรู้จากการออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะรู้ลึกไม่เท่ากันท่านั้นเอง พระโสดาบันนี้จะรู้เพียงระดับต้นๆรองลงมาก็พระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พาาระอาหารหันต์นี่รู้ทลุ ก, ลกำแพงเลยแต่ก็สามารถที่จะหลุดได้ออกจากคุกได้เหมือนกันช้าหรือเร็วแต่ต้องผ่านเป็นขั้นๆไปต้องผ่านขั้นแรกพระโสดาบันก่อน เราถึงไปขั้นที่สองพระสะกิรดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ได้เหมือนกับเรียนปริญญามันก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องผ่านขั้นปริญญาตรีก่อนถึงไปสู่ขั้นปริญญาโทได้จากปริญญาโทก็ไปปริญญาเอกได้แต่ไม่ว่าจะได้ขั้นไหนไม่ช้าก็เร็วก็จะก็จะสําเร็จปริญญาเอกกันทุกคนะ ไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกิดาคามีหรืออนาคามีไม่ช้าก็เหร็วก็เป็นอรหันต์กันอาอรหันต์ก่อนจะเป็นอรหันต์ได้ก็ต้องเป็น อ, าาาอาานาคามีก่อนอนาคามีก็ต้องเป็นสกิดาคามีก่อนสกิดาคามีก็ต้องเป็นโสดาบันก่อนจะเป็นโสดาบันได้ก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าก่อนเจอพระธรรมคําสอนหรือเจอพระอริยะสงสารก่อน ถ้าเราเจะไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระอริยสงสาวบกแต่เจอพระธรรมคำสอนอันนี้ก็ยังสามารถที่จะสอนให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่พระธรรมคาสอนก็ต้องเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนพระไตรปิฎกนี้คือแหล่งที่สามของพระธรรมคำสอน ของผู้ที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องไปศึกษาพระสูตรต่างๆพระสูตรที่สำคัญสำคัญที่จะสอนวิธีให้เราได้ปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระสูตรสำคัญก็มีอยู่สองสามพระสูตรสำคัญอันแรกก็ธรรมจกกักรปวัตตนสูตร อันนี้ก็จะบอกทางมัชฌิมาปฏิปทาว่ามีอะไรบ้างมีมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาหรือทางศีลภาวนาทางสู่การหลุดพ้นนี่ก็เป็นเหมือนอถนนมีสองเลนมีเลนช้ากับเลนเร็วรถช้าก็ให้ชิดซ้ายไว้รถเร็วก็ให้ชิดขวา พวกรถบรรทุกรถใหญ่นี่คนข้าวของหนักวิ่งเร็วไม่ได้เหมือนกับรถเก๋งรถเบนซ์นี่นั่งคนสองคนปูดปาดถ้าปล่อยให้วิ่งทั้งสองเลนเดี๋ยวก็รถเร็วก็ต้องช้าไปกับรถช้าด้วยเขาเลยแยกเลนฮให้รถช้าวิ่งเลนซ้ายให้รถเร็ววิ่งเลนขวามาร์กแปะก็มีสองเลนมีเลนช้ากับเลนเร็ว พวกเลนช้านี้ก็ไปช้าหน่อยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางก็ใช้เวลานอนหน่อยพวกที่ใจร้อนพวกที่มีรถวิ่งเร็วก็ไปเลนขวาพวกที่เป็นเลนซ้ายก็เป็นพวกคารวะญาติโยมเนี่ยที่ต้องอย่างต้องทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปส่วนพวกที่เป็นเลนขวารถเร็วก็เป็นพวกนักบวชเนี่ย พวกนี้ก็ไปศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเสียเวลากับการทำบุญทำทานเพราะทำหมดแล้วเวลาจะเข้าเลนขวานี้ต้องเปลี่ยนรถจากรถบรรทุกมาเป็นรถเบนมีเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องบริจาคไปให้หมดสละให้หมดสมบัติของนักบวชมีแค่แปดชิ้นเนั้นเบามากมีบาทหนึ่งใบมีผ้าสามผืน มีเข็มขัดลัดเอวหนึ่งเส้นมีเข็มกัดได้ไว้ซ่อมจีวรแล้วก็มีที่กองน้ำแล้วก็มีมีดกรนไว้สำหรับปงผมป ง, ป ง, ปงหนวดนี่คือสมบัติของพวกที่ไปไปเลนเร็วต้องเป็นรถที่เบาไม่บรรทุกของหนักเห็นไหมรถเก่งนี่บรรทุกไม่กี่คนใช่ม <c oughs> ฟอร์รารี่นะี่นั่งได้แค่สองคนเนทะ่านี้ไม่มีอะไรมาก แต่พวกสิบลอ้อพวกเทเลอร์นี่บรรทุกปูนบรรทุกอิฐบรรทุกรถอะไรต่างๆเต็มไม่หมดพวกนี้จะไปเร็วไม่ได้ก็ต้องค่อยๆไปนีพวกคาราวานก็เหมือนกันวาราวานนี่ยังไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างตลอดเวลาปฏิบัติได้เป็น พักๆบางช่วงช่วงวันหยุดนี้วันพระวันหยุดก็มีเวลาว่างก็ถึงจะไปวัดไปปฏิบัติธรรมได้สักครั้งหนึ่งต่วนวันอื่นเนี้เช่นวันธรรมดาอย่างนี้ต้องไปทํางานทําการกันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต้องมีอะไรภาระลุงลังไปหมดก็เหมือนลดบรรทุกน่ะบรรทุกของหนักเนี่ยจะให้ไปเร็วไปไม่ได้ ถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนอาชีพจากคาราวานมาเป็นนักบวชถ้าขับรถเทเลอร์ก็ขายแล้วเปลี่ยนแล้วก็ซื้อรถรถสปอร์ตแทนรถเก๋งแทนก็จะสามารถที่จะไปได้เร็วหรือถ้าไม่มีเงินซื้อรถราคาแพงๆก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แบบเร็วๆก็ได้ราคาไม่แพงเท่า ก, ก, ก, กับรถเกง๋งแต่วิ่งเร็วพอๆกับรถเก๋งนะ อันนี้เก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่ามรรคทางที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี้มันมีสองระดับด้วยกันระดับช้ากับระดับเร็วส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มจากระดับช้าก่อนเพราะถ้าจะไประดับเร็วไม่มีใครไปได้เพราะเวลาเกิดมาเกิดนี้ไม่ได้มาใครไม่ได้มาเกิดเป็นนักบวชกันทุกคนเวลาเกิดก็มาเป็นค่ารวรายผู้ของเลือนกันแล้วพอ มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาก็เลยลองหัดปฏิบัติตามในขณะที่เป็นคารวสไปก่อนแล้วพอปฏิบัติแล้วได้ผลดีก็มีศรัทธามีกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นก็เลยลองหัดเพิ่มวันปฏิบัติให้มากขึ้นพอยิ่งเพิ่มยิ่งได้ผลดีก็เลยเกิดศรัทธาพร้อมที่จะ เปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนจากการเป็นคารวะมาเป็นนักบวชได้ก็จะออกบวชได้นี่นี่คือสุดพสูตรอันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นปฐมมาเลิกของพระศาสนาของพระธรรมคําสอนเนี่ยวันก่อตั้งของพระศาสนาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกนี้ทรงสแสดงทางสู่การหลุดพ้นทรงสแสดงให้กับพวก นักบวชท่านก็เลยทรงแสดงมรรคแปดศกแสดงศีลสมาธิปัญญาเพราะพวกนี้เขาไม่ต้องทําฐานแล้วเพราะไม่มีอะไรจะทําแล้วพวกนี้เขาไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหมือนกับคารวะญาติโยมแต่เวลามาสอนคารวะญาติโยมก็เลยต้องสอนให้ทําบุญทําฐานให้สละทรัพย์สมบัติไปเพราะถ้ายัางติดอยู่กับทรัพย์สมบัติก็จะไปเร็วไม่ได้ เหมือนกันบรถบรรทุกถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องเอาเทข้าวของที่บรรทุกในรถให้ออกไปให้หมดรถมันจะได้เบามันจะได้วิ่งเร็วเหมือนกับรถเก๋งได้นะนะก็เวลาสอนคารวะเลยต้องสอนเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาภาวนานี้ก็คือสมาธิและปัญญาแ น, นอง เพราะภาวนามีอยู่สองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสามถะภาวนาแปลว่าการทำใจให้สงบเป็นสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทำให้ใจรู้แจ้งเห็นจริงก็คือขั้นของปัญญานั่นเองขั้นของการศึกษาความรู้ให้เห็นความความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรกันแนะ่ ว่าสุขหรือทุกข์กันแน่ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่าเป็นเราของเราหรือไม่ได้เป็นเราของเราอันนี้เป็นขั้นของปัญญาดังนั้นก็เป็นทางเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ครองเรือนนี้ก็สอนให้ทําทาน คือถ้าขับรถบรรทุกบรรทุกของหนักก็บอกว่าให้เอาของบรรทุกต่างๆนี้ทิ้งไปให้หมดเอาแต่ตัวรถเปล่าๆไปก็พอจะได้วิ่งเร็วถ้าต้องบรรทุกของหนักนี่มันไปช้าน่า จ, จะไปไม่ไหวก็ได้ถ้าไปเจอภูขงภูเขาขึ้นไม่มีแรงขับขึ้นก็ถ้าอยากจะไปก็ต้องก็ต้องเอาของออกจากรถถึงจะมีกำลังวิ่งข้ามเขาไปได้ นี่คือการแสดงธรรมครั้งแรกทรงการบอกทางถนนที่ที่จะพาเราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาทําบุญทำบาปอย่างที่พวกเรากําลังต้องทํากันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเวลาเราตายไปนี้เราก็ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปในรูปแบบของการ เหมือนคนนอนหลับฝันไปเวลาตายนี้ความจริงก็เป็นการนอนหลับดีๆนี่เองว่าเวลาที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ใช่เหรอเราก็ปล่อยให้ร่างกายนอนอยู่บนเตียงนะแต่ใจเรานี่ฝันไปแล้วฝันดีฝันว่าไปเที่ยวฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นไปชมสถานที่นั่นสถานที่นี่ไปกินอนั่นไปกินนี้นี่ไปเดือดม่นั่นเดือม่นี่ ใจไปแล้วใจมันไม่ได้อยู่กับร่างกายหรือถ้าฝันลายก็ฝันว่าไปเจอคนนั้นมาตามล้างแค้นมาตามล้างอาฆาตพยาบาทหรือไปตกอยู่ภัยสงครามอดอยากขาดแคลนหรือไปเจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อ, อันนี้มันจะเป็นอยู่ในฝันขณะที่เราฝันเชื่อไม่ว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ฝันเหมือนกับเราเตือนนะ ก็เวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันะจะมืจะมารู้ตอนที่เราตื่นแล้วว่าโอ้เมื่อกี้นี้ฝันไปเนี่ยว่าแต่ตอนที่ฝันมันไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันฝันนะมันว่ามันเหมือนกับเราตอนนี้อยู่เนี่ยตอนนี้เราคิดว่าเราตื่นความจริงมันก็เป็นฝันใช่ไหมเดี๋ยวพอเราตายพอเราไปเป็น บ, บรรลุเป็นพระโสดาบันเราก็จะตื่นขึ้นมาเองว่านี่เราเป็นความฝันเรากําลัง ใช้ความคิดของเราคิดไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเราก็เป็นความฝันมีฝันแบบสองแบบฝันแบบลืมตากับฝันแบบหลับตาตอนนี้เราก็คิดว่าเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงแต่ความจริงมันก็เป็นความฝันใช่ไหมเมื่อวานนี้มันเราก็คิดว่าเป็นความจริงใช่ไหมว่าะเมื่อมันหายไปไหนแล้วเมื่อวานนี้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันผ่านไปแล้ว่้ย มันก็เหมือนตอนที่เราตื่นขึ้นมาตอนที่เราฝันไปพอเราตื่นขึ้นมามันก็ผ่านไปแล้วนั้นชีวิตความจริงชีวิตของวเราก็เป็นความฝันอย่งนั้นน่ะฝันทั้งหลับตาฝันทั้งลืมตาตอนนี้กำลังฝันขณะลืมตากันเดี๋ยวตอาคืนนอนก็ไปฝันต่อฝันแบบหลับตาอีกเ้วเดี๋ยวเวลาตายก็ไปฝันอีกฝันยาวแล้วทีนี้เพราะกลจะได้ร่างกายใหม่นี้มัน มันต้องไปร อ, อคิวหรือไปรอจังหวะต้องไปใช้บุญใช้บาปที่เราทำไว้ให้มันหมดกำลังก่อนให้ให้ฝันดีหมดกำลังก่อนหรือให้ฝันร้ายหมดกำลังก่อนแล้วถึงจะมาตื่นตื่นก็ตอนที่ออกมาจากท้องแม่ที้ตื่นแบบนี้ได้ร่างกายอันใหม่ด้วยไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ร่างกายเก่าหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปเปลี่ยนร่างกาย ความยิงความตายก็เป็นการไปทําสัญญกรรมนี้เองเปลี่ยนมันทั้งล่างเลยแทนที่จะเปลี่ยนปอดเปลี่ยนไตายเวลาเราไม่สบายปอดไม่ดีไตยไม่ดีบางทีเราก็ต้องไปเปลี่ยนเขาก็ต้องให้เรานอนยาสลบให้ยาสลบให้เรานอนหลับใช่ไหมแล้วเขาจะได้ผ่าเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตให้เราพอลืมตาขึ้นมาอา้าวได้หัวใจอันใหม่แล้วได้ตับอันใหม่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันได้ทั้งสามสิบสองอาการใหม่หมดเล ย, เป ล, ย <laughs> เปลี่ยนมันทั้งร่างเปลี่ยนมันทั้งร่างกายเลยไม่ดีกว่านี <laughs> ่งั้นคนจะดีใจเวลาที่เราตายอย่าไปเสียใจเล <laughs> เราก็ลังจะไปทำสัญยกรรม <laughs> เปลี่ยนอาการสามสิบสอง 32, เปลี่ยนมันทั้งร่างเลยใช่ <laughs> ไหมเนี่ยพอมาเกิดใหม่เป็นยังไงตอนนี้แข็งแรงไหยกำลังวางชา ตอนก่อนที่เราจะไปทำกัจกรรมนี้เป็นเหมือนคนแก่รูป้ป่เแ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทำอะไรก็ทำไม่ได้มันก็เลยนอนเยอะกฎแห่งกรรมก็เลยเอายาสลบให้เราให้เราหลับไปพาหลับไปแล้วก็จะได้เราไปได้ร่างกายใหม่ต่อไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราชีวิตในโลกนี้มีแต่เรื่องสนุกทั้งนั้นไม่มีเรื่องน่ากลัว ไม่มีอะไรน่ากลัวนอนหลับก็ไม่น่ากลัวตายก็ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือการทำบาปอย่างเดียวเท่านั้นเพราะทำบาปแล้วมันจะทำให้เราฝันร้ายกันเวลานอนหลับก็ฝันร้ายเวลาตื่น ฝันฝันร้ายเวลาตื่นก็ฝันร้ายเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับแบบลืมตาเนี่ยก็เป็นฝันร้ายเจอแต่เหตุการณ์ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะเวลาเราทำบาปใช่ไติดคุกติดตารางอ่หนีเจ้าหนี้หนีคนนั้นหนีคนนี้เนี่ยก็เพราะเราไปทำบาปนะมันจดเป็นทั้งขณะที่เรานอนหลับขณะที่เราตื่นขณะที่เราตายเนี่ยะนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความตายนะความตายนี้ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าดีใจ ก็จะได้ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ร่างกายอันนี้ไม่ดีกาให้มันเดี๋ยวให้มันตายแต่อย่าไปฆ่ามันเท่านั้นนะถ้าฆ่ามันแล้วผิดกติกาฆ่ามันแล้วนี่มันจะทำให้ฝันลายมากกว่าจะขาดทุนมากกว่ากำไรงั้นอย่าฆ่าตัวตายอย่าคิดว่าชาตินี้กูไม่สวยฆ่าตัวตายเดียว <laughs> แล้วชาติหน้ากูจะได้ร่างกายใหม่ ถ้าฆ่าตัวตายกลับมาจะจ ะ, จะนักขี้เละกว่าเดิมถ้าทํำบาปแล้วกลับมาเกิดใหม่นี้มันจะขี้เละกว่าเดิมะถ้าอยากจะกลับมาแล้วสวยกว่าเดิมต้องทําบุญละปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติอย่าไปฆ่ามันนะนี่คือเรื่องของบัญชีบุญและบัญชีบาปที่พวกเราควรที่จะมาทํากันะแล้วถ้าเราไม่อยากจะ อ, ออกจาก ไม่อยากจะกลับมาเกิดตายซ้ำซากอย่างนี้ก็ให้ไปทางมัชฌิมาปฏิปทาไปทางมรรคแปไปเป็นนักบวชกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ไม่ปรารถนากันพยายามทําไปเพราะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริง คำสอนของท่านเป็นความจริงการปฏิบัติตามได้จะได้ผลตามที่ท่านได้แสดงไว้ทุกประการการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอุโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสัมิจโตสัพเเปโรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรม าวัานติอายุวันโสุขังภลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 371 y o u เจ็ e 239อวิทยุออนไลน์29ผู้รับฟังบนเขาเจ็สบอรวมเจ็ดร้อยสิบท่านค่ะอืม วันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเกินเกินหกร้อยมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะถ้าอยากจะถามจะส่งไมโครโฟนไปให้ไม่คิดตัง <c oughs> <c oughs> ธรรมทานที่นี่ธรรมทานถ้ายังไม่ไม่ไม่ถามเองก็รอฟังคำถามของคนอื่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้านนึกอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้ ฝรั่งเขาแปลกใจคืออ่านตามตำราก็ เ, าเห็นว่าพระนี่เป็นเป็นเหมือนขอทานไปตามหมู่บ้านก็จะเหมือนกับไปรับแบบขอทานนี่เมื่อเช้าเขาไปบินทบาย <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้เป็นตามตำราเลยเนี่ยว่า <c oughs> อาหารนี่ล้นหลามแล้วก็อาหารดีๆทั้งนั้นเออ <c oughs> ก็ <c oughs> งงกันว่านี่มันไม่ใช่อย่างงี้มันไม่ถูกเนี่ยว่า พระไม่ไม่ไม่ควรที่จะ 𝘦 ทำอย่างนี้อะไรงี้ก็อธิบายก็ฟังว่ามันแล้วแต่สถานที่ถ้าไปอยู่ที่กันดารหรือที่ที่ไม่มีคนศรัทธามันอีกเรื่องเราเคยไปอยู่ที่หนึ่งไปลองทุดงดูไปหาหมู่บ้านคนยากจนเดินต้องสามสี่กิโลได้ไข่เค็มมาใบได้ปลากระป๋องมากระป๋องหนึ่งข้าวเปล่าก็เขามีเท่านั้นใช่ไหม แต่เราต้องการไปหาที่สงบแล้วก็ต้องไปเจออย่างนั้นแต่ถ้าเรา อ, อยู่อีกในฐานะหนึ่งอยู่ในอีกสภาพหนึ่งมีคนมีศรัทธาเข้ามาอย่างนี้จะไปห้ามเขาก็ไม่ได้แต่ถ้าพลาดที่จะมาอยู่กับที่อย่างนี้ถ้าอยากจะอยู่แบบนั้นก็ต้องบังคับตัวเอง ก็เลิกกินข้าวป่าไปเลยหาปลาเค็มหาไข่เค็มกินไปเออย่าไปกินอาหารที่เราคิดว่าดีที่เราชอบไปอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราลละของพระเองที่จะต้องสู้กับใจตัวเองอั น, นี้เพราะว่าการจะเวลาบวชพระแล้วอยากจะปฏิบัติเนี้ยมันต้องอยู่กับครูอาจารย์ ก็ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีที่เก่งนีครูอาจารย์ที่ดีที่เก่งมกักจะมีคนศรัทธาเยอะก็มีคนไปทำบุญใส่บาตรกันเยอะนอาหารมันก็มันก็ท้าทายต่อกิเลสตัณหาเราก็ต้องสู้กับมันเข้าใจาไหม แต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไ ม, ไม่ไม่มีชื่อมีเสียงไม่เก่งก็ไม่มีคนไปศรัทธาก็จะได้กินตามที่คิดว่ า, าคนรจะได้กินแต่ก็จะไม่มีใครสั่งใครสอนอก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเราก็เลยต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องอพิจารณาแยกแยะ ว่าเวลาที่อ่านในตำราอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าศึกษาจากหนังสือมันก็จะเห็นภาพอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้เป็นภาพเดียวมันมีภาพอีกหลายภาพที่เขาไม่ได้แสดงไว้ในหนังสือพอเรามาเจอภาพที่มันไม่อยู่ในหนังสือเราก็เลยคิดว่าให้นี่มันไม่ใช่มันก็ใช่แต่มันเป็นอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ว่าหนังสือเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นมุมเดียวที่ไหนมันก็มีหลายมุมด้วยกันเอออันนี้ถึงบอกว่า ถ้าเรียนจากหนังสือนี่สู้เรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านจะมีประสบะการณ์มากกว่าแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถอธิบายให้ฟังได้ว่าความสาคัญจริงๆอยู่ตรงไหนถ้าเป็นพระเรื่องบินทบาตก็สาคัญตรงที่เรากินเพื่อกินเป็นยาดับความหิวเราอย่าไปกินเพื่อให้มันเกิดความสุข ปิติอิ่มเอิบใจได้กินของชอบของถูกปากนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องดัดนิสัยมันชอบอนไหนก็อย่าไปกินมันกินของที่ไม่ชอบนี่มันถึงจะเรียกว่าสู้กับกิเลสถ้าตามกิเลสก็กินตามที่ชอบเห็นอะไรอยากได้มาถึงป๊อปก็ความับเลยถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ได้สู้กับกิเลสมัน ยอมกิเลสพูดง่ายๆถ้ายอมกิเลสก็ไปกับกิเลสเท่านั้นนะต่อไปคำถามจากคุณนิกกี้ลูกไม่ดื่มเหล้า ไม่สนับสนุนการให้เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเป็นของขวัญเพราะเป็นอบา ย, ยมุกและผิดศีลแต่คุณแม่อายุ86 <c oughs> ชอบให้เล่าข่าวเป็นรางวัลกับคนงานซึ่งเราต้องเป็นคนไปซื้อแนะนำให้เป็นเงินก็ให้ทั้งเงินและเล่าลูกไม่สบายใจทุกครั้งที่ไปซื้อแต่ต้องทำให้คุณแม่บาปไหมคะที่เราต้องทาเป็นความจาใจยังไม่บาปหรอกการให้สุราให้อบายมุก คนที่ดื่มจะใกล้จะจะใกล้ใกล้บาปแต่คนให้เพียงแต่เพียงแต่ดึงให้เขาไปเข้าใกล้บาปเท่านั้นเองก็มีส่วนสนับสนุนนะแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำบาปเองถ้าเราไม่ได้ดื่มเองก็ยังไม่เกี่ยวกับเราแต่อย่างที่พูดถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็พยายามดีกเลื่องเรื่องของเหล่านี้ดีกว่าไม่ว่าเราเองหรือคนอื่นก็ไม่ควรที่จะให้ให้กัน ควรจะให้ของที่มีประโยชน์ดิว่ามีประโยชน์กับร่างกายไม่มีโทษแล้วก็ทั้งร่างกายและจิตใจให้สุรานี้มีโทษทั้งร่างกายทั้งจิตใจเพรนั้นควรจะเด็กเลี่ยงให้ของที่เป็นอันตรายคําถามจากคุณอ้อกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือคุณแม่ของลูกเสียเมื่อวันที่26ธันวาคม ปีนี้พอทําพิธีชาปน ก, กิจเสร็จลูกไม่ใส่ชุดดําไว้ทุกต่อเพราะลูกคิดว่าจิตใจเราทุกพอแล้วกับการที่คุณแม่จากไปลูกคิดแบบนี้ผิดไหมคะไม่ควรจะทุกข์โดยได้ซ้ําไปไม่ควรจะไว้ทุกข์โดยซ้ําไปอย่างที่บอกถ้ารู้ความจริงควรจะฉลองว่าแม่กําลังไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ <laughs> นี่แต่ว่าก่อนก่อนจะได้ร่างกายใหม่นี้จะไปฝันดีหรือฝันลายเท่านั้นเองต่ก็เป็นสิ่งที่เราช่วยก็ไม่ได้ก็ความตายก็คิดว่าเป็นการนอนหลับยาวไปแล้วก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายยังไม่มีความจำเป็นจะต้องไว้ทุกขแต่อย่างใดจะใส่สีดำหรือสีอะไรมันก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเพียงแต่การแสดงแสดงความให้แก่ผู้รื้ว่าเรากลาลัง เรากำลังเศร้าโศกเสียใจในการสูญเสียจากไปของคนที่เราลักเราเคารพเท่านั้นเองแต่ถ้าเราอยากจะเลิกไว้ทุกข์เพราะกิเลสเราอยากจะไปเต้นรงเต้นกาไปตามงานอะไรอย่างเงี้ยชิ้นตอนนี้มีงานอุ่นไอลักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> จะไปใส่ชุดดำไปมันก็ไปไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ดี <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นกิเลสคิดแบบกิเลสนะเพราะอยากจะไปอยากจะไปเที่ยว ถ้าไปใส่ชุดไว้ทุกข์ก็ไปไม่ได้ใครเขาจัดงานวันเกิดก็ไปไม่ได้ใครเขามีงานแต่งงานก็ไปไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราต้องการไปงานเหล่านี้เราก็เลยเลิกไว้ทุกข์แอย่างนี้ก็ไ ด, ได้แต่มันก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสไงคือ <c ười> <c ười> เรายังไม่รู้จักความจริงเรายังอาศัยขนรรมเนียมประเพณีมาสอนเรา คำนบับธรรทเนียเขาก็บอกควรจะให้ความเคารพต่อผู้ที่เขาจากไปเขาทุกเราก็ควรที่จะชุกไปกับเขาไม่ควรจะไปเต้นรงังเต้นกาฉลองกันใช่ไหมอันนี<ม>น้ก็ต้องสำรวนทาตามไปก่อนมันก็ดีอย่างมันก็เป็นการกำลาบกิเลสไปในตัวกิเลสตัณหาที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเรา แต่ถ้ามองแบบถ้าเราอยู่ในระดับวิปัสสนาแล้วก็มองไม่เห็นว่ามันจะต้องทุกข์กับอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายตายไปก็ไปเหมือนกับไปเปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็ไม่ต้องไว้ทุกข์ไม่ต้องอะไรแต่ก็ไม่ต้องไปฉลองก็อยู่ตามอยู่ตามปกติปฏิบัติธรรมของเราต่อไปคอยควบคุมกิเลสตัณหาต่อไปงานเลี้ยงก็ไม่ไปอยู่ดีงานวันเกิดงานอะไรก็ไม่ไปอยู่ดี อันนี้ก็อันนี้ก็แบบว่ามองแบบปัญญาจะเป็นอย่างนี้ถ้ามองแบบตามขนบรรมเนียมประเพณีถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ควรที่จะเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าพี่น้องเรายังไว้ทุก์กันอยู่เราแหกคนเดียวนมันก็ไม่เหมาะนะฮก็ต้องไว้ทุก์ไปกับเขาก่อนพร้อมๆกันใ ห, ให้ให้มันไปแบบว่า อยู่ครอบครัวเดียวกันก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกัน hey. อย่างนี้ก็ควรที่จะไว้ทุกข์ต่อไปถ้ายังถ้าคนอื่นก็ยังไม่เลิกไว้ทุกข์ mm hmm. บางทีก็มีกฎในห้าสิบวันร้อยวันใช่อย่างในดวงของเราที่ท่านเสียไปนี้ก็ทั้งปีเลยใช่ไหม ที่คนไทยทั้งประเทศต้องไว้ทุกกันทุกหนึ่งปีอันนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพความรักของผู้ที่มีพระคุณแก่เราซึ่งก็ดีมันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการกำลาบกิเลสตัณหาของเราไปในตัวด้วยเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปหน่อยเสียงไหมจะได้ดังหน่อยคนจะได้ยินนะพูดใกล้ๆปากเลย ที่ท่านท่านท่านเทศไปนะคะที่ท่านบอกว่าคนที่อะไรฆ่าตัวตายในบาา่าวอยกจะให้ท่านอธิบายหออยาน่อยค่ะเวลาฆ่าเนี่ยมันฆ่าด้วยความโกรธความเกลียดเนี่ยเกลียดร่างกายของตัวเองก็เลยฆ่ามันก็แสดงว่ามีความโหดร้ายทารุณในจิตใจไม่ดีเป็นคุนสมบัติไม่ดี พอกลับมาเดี๋ยวเกิดใหม่พอไม่ชอบอะไรก็ฆ่ามันอีกฆ่ามันเรื่อยๆก็จะทาบาปไปเรื่อยๆทั้งถ้าฆ่าตัวเองได้แล้วฆ่าคนอื่นมันยิ่งง่ายกว่าใช่ไหมเรารักร่างกายของเรายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเรายังฆ่ามันได้แล้วร่างกายของคนอื่นเราทำไมจะฆ่าไม่ได้อาจจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ต่อไปบาปหนักเป็นความโกรธไม่ควรจะฆ่าฆ่าตัวตายนี้มันเป็นการ อือกาว่าเหมือนกับเป็นการสนับสนุนความผดร้ายทารุณที่มีอยู่ในใจของเราให้มันเฮิมเกริมขึ้นมาคนชอบพูดนะจะฆ่าตัวตายใช่ไหมฆ่าตัวเออเนี่นแหละอพูดกันอ่เพราะเพราะว่ามันทุกข์นะไม่มีความสุขมันก็เลยคิดว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วจะพ้นทุกข์มันไม่พ้นหรอกเดี๋ยวมันเวลานอนหลับมันตายไปมันก็จะฝันร้ายน<ม>ฝันร้ายแล้วกลับมาเกิดก็จะติดนิสัย ความโหดร้ายทารุณติดตัวมาด้วยเดี๋ยวไม่ชอบใครก็ฆ่าเดี๋ยวไม่ชอบลูกตั้งท้องปั๊บก็ทำแท้งเลยเอนี้มันไม่ควรการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าใครทั้งนั้นไม่ควรจะทำเพราะมันเป็นการสนับสนุนความโหดร้ายทารุณให้มันงอกงามจเจริญมีความกาลังมากขึ้นไป เ, เราจะกลายเป็นคนโหดร้ายทารุณใจไม้ไส้ละกรม ร้ายความเมตตาเข้าใจั้มเพราะความเห็นแก่ตัวอยากจะทำอะไรตามใจอยากเพราะไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธโกรธก็ฆ่ามันเลย ช, ชอบพูดอนั่นแหละนั่นแหละพวกนั้นสแสดงกำลังจะไปในทางความโหดร้ายทารุณการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าใครไม่ดีทั้งนั้นเพราะเป็นกิเลสที่ร้ายกาจโหดร้ายทารุณ ค่ะคําถามข้อที่สองจากคุณอ้อเมื่อสักครู่นะคะแล้วลูกจะทําอย่างไรให้คุณพ่อไม่ซึมเหงาได้บ้างคะอ๋อเรื่องของคุณพ่อก็เรื่องของคุณพ่อเนี่ยทำไงได้ท่านจะซึมท่านยจงเหงามันก็เป็นเรื่องของท่านเพราะว่าท่านเสียขคู่รักของท่านไปเนี่ยเคอยอยู่กันมาต้องหลายสิบปีมันก็ต้องซึมต้องเหงาเป็นธรรมดาถึงบอกว่า ต้องควรจะเข้าวัดก่อนล่วงหน้าไว้ก่อนมาซ้อมไว้ก่อนนะว่าต่อไปเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวหัดมาอยู่คนเดียวบ้างเนี่ยวันพระมาอยู่วัดคนเดียวอย่าไปนอนกับแฟนทักคืนหนึ่งอะไรงนี้จะได้รู้ว่าเวลาไม่มีแฟนจะต้องทำตัวอย่างไร <c oughs> วิธีจะแก้งเหงาทาอย่างไร <c oughs> ก็หัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไป ต่อไปเวลาต้องอยู่คนเดียวก็จะได้ไม่เหงามีอะไรทำไงที่มันเหงาเพราะมันไม่มีอะไรทำมันก็เลยเหงานี่ามาหัสทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราไม่เหงาเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียว<ม>ก็คือมาเนี่ยมาวัดเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วมันจะไม่เหงาเพราะมันจะไม่ได้ไปคิดถึงแฟนคิดถึงใคร พอไปคิดถึงเขาแล้วเขาไม่อยู่มันเหงาขึ้นมาทันที yeah. หมดหรือยังมีอีกค่ะคำถามจากคุณชวนพ่อเจมส์กราบเรียนพระอาจารย์ฟังธรรมพระอาจารย์หลายรอบเรื่องพบภูมิทำบาปไปอบายถือศีลได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบุญและถือศีลได้ไปสวรรค์นั่งสมาธิภาวนาได้ไปพรหมคำถามคือว่า ไปอบายคือทุกอย่างเดียวไม่มีเป็นไม่มีความสุขเป็นมนุษย์มีทั้งทุกข์และสุขไปเป็นเทวดามีแต่สุขเป็นพรหมมีแต่สุขแต่ก็ไม่เที่ยงเพราะมีวันหมดอายุมีแต่นิพพานเท่านั้นคือเที่ยงความรู้แบบนี้ถือว่าเป็นปัญญาใช่ไหมรู้อริยสัจ4ี่แต่แค่รู้ แต่ทำให้เป็นผลไม่ได้แสดงว่ายังรู้ไม่จริงเข้าใจเองว่ารู้แต่ยังรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงต้องปฏิบัติได้ผลขอกราบนมรส ก, การและแต่พระอาจารย์จะเมตตาค่ะก็คือรู้ทางดูแผนที่มีแผนที่แต่ยังไม่ได้ออกเดินทางยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องต้องดูพฤติกรรมของเราว่าเรากำลังไป ตามแผนที่ที่เราเห็นหรือเปล่าบางทีรู้แผนที่รู้ว่าทําบาปไม่ไดีบางทีก็ยังอดทําไม่ได้อยู่ยก็ต้องดูพฤติกรรมถึงบอกว่าให้คอยจดบัญชีไว้ว่าเราทําตามที่เรารู้หรือเปล่าปีนี้เราทําบาปกี่ข้อน้อยกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าทําบุญกี่ข้อมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่ามันถึงจะรู้ว่าเรากําลังไปในทิศทางที่เราควรจะไป การรู้นี่เป็นการเพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทางเดินเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เดินทางจะเดินทางก็ต่อเมื่อเริ่มมีพฤติกรรมเริ่มมีการกระทาต่างๆขึ้นมาค่ะาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม วันนี้ขณะฟังเทศจากพระอาจารย์ลูกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยนั่งไปพักหนึ่งลมหายใจหายไปแต่ยังคงได้ยินเสียงพระอาจารย์ที่เทศสอนตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้เพราะขาดสติหรือเปล่าคะลูกควรรีบกลับไปดูลมหายใจต่อหรือปล่อยให้ว่างๆไม่มีอะไรแบบนั้นดีกว่าคะ ถ้ายังได้ยินเสียงธรรมอยู่ก็แสดงว่ายังมีสติอยู่แต่การฟังธรรมนี่ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าฟังธรรมควรจะฟังธรรมอย่างเดียวไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกถ้าต้องการดูลมหายใจเข้าออกก็อยากไปฟังธรรมถ้าเรานั่งสมาธิคนเดียวควรจะดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราฟังธรรมเราควรจะฟังธรรมแทน เพราะการฟังธรรมนอกจากจะได้ความสงบแล้วยังจะได้ปัญญาคือได้ความรู้ที่เราไม่ไม่ได้จากการไม่ได้ฟังอะไรแต่ถ้าเรานั่งฟังธรรมแล้วเราดูลมบางทีมันจะมาปะทะกันมาขัดกันได้เราพยายามดูลมแต่เสียงธรรมมันก็จะเข้ามาในหูเรามันก็ทาให้ใจเราวิ่งไปวิ่งมาระหว่างเสียงธรรมกับลมหายใจได้เห็นถ้านั่งสมาธิถ้าต้องการให้สงบก็อย่าไปฟังธรรม ถ้าฟังธรรมก็ตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดปัญญาและสมาธิด้วยจากคุณสูกราบเรียนถามเจ้าค่ะพระอาจารย์เทศไว้ว่าทำบุญกับใครก็ได้บุญทำบุญกับพระขอทานสัตว์ก็ได้บุญเท่ากันแล้วคำสอนที่ว่าทำบุญกับพระอริยเจ้าได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระอนาคามีทาบุญกับ พระอนาคามีได้บุญมากกว่าทํากับพระสกิดาคามีขอความเมตตาอธิบายด้วยเจ้าค่ะอันนั้นมันเป็นของแถมไงเวลาทําบุญนี่เหมือนกับเราไปเติมน้ํามันรถเนี่ยเวลาเาติมน้ํามันรถเราต้องการอะไรต้องการน้ํามันใช่ไหมไปปั๊มนี่ไปเพื่ออะไรน้ํามันรถมันจะหมดเราก็ต้องเติมน้ํามันอน้ํามันนี่แต่ว่าบางปั๊มมีของแจกไง บางปั๊มแจกยาซิฟันบางปั๊มแจกน้ํำดืม่มบางปั๊มอาจจะแจกลอตเตอรี่ก็ได้เผื่อจะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของแจกนี้มันก็ต่างกันไปแต่ละปั๊มทําบุญกับคนก็มีของตอบแทนให้กับกับเราอแต่ทําบุญกับใครสิ่งที่เราได้ก็คือได้ความอิ่มใจสุขใจเลี้ยงหมาก็สุขใจอิ่มใจใช่ไหมปลายนกปล่อ ย, ยปลาก็สุขใจอิ่มใจ สาบาดก็สุขใจอิ่มใจเหมือนกันอันนี้ถึงบอกว่าบุญอันนี้เหมือนกันะบุญที่เกิดจากการเสียสละบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นนี้เหมือนกันะไม่ว่าจะช่วยใครก็ตามแต่บุญบุญที่เราจะได้รับจากที่เราไปพูดผู้ที่เราไปช่วยเหลือนี้ไม่เหมือนกันะ ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมระดับของพระพุทธเจ้าเอทำบุญกับพระโสดาบันก็ได้ธรรมะระดับโสดาบันอันนี้ต่างกันเอแต่ถ้าทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วเราหูหนวกก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเข <laughs> ้าใจไหมไม่ว่าถ้าหูหนวกมันก็ฟังธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่เราจะรับบุญจากผู้อื่นนั้นอยู่ที่ว่าเขามีอะไรให้เราถ้าทำกับหมาหมามันก็เฝ้าเฝ้าบ้านให้เราถ้าทำกับโรงเรียนเขาก็จะมีความรู้ให้เรามีโรงเรียนให้เราไปเรียนหรือให้ลูกเราไปเรียนทาบุญกับโรงพยาบาลก็จะได้มีโรงพยาบาลไว้ให้รักษาพยาบาลร่างกายเราอันนี้ไม่เหมือนกันไง บุคคลที่เราไปทำด้วยเขามีความสามารถตอบแทนเราต่างกันทำประโยชน์ต่างกันอันนี้ึงอันนี้ไม่เหมือนกันเังนั้นการทำบุญก็ต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งเราต้องการอะไรต้องการความอิ่มใจสุขใจอย่างเดียวเราก็ทำกับใครก็ได้ เลี้ยงเพื่อนก็ได้เนี่ยวันเกิดจัดงานเลี้ยงให้เขามากินอย่างนี้มันก็อิ่มใจสุขใจเหมือนกันเอ่มันก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเอแต่ถ้าเราอยากจะได้รับของแถมจากคนที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเขามีอะไรจะแถมให้เราเอแต่เราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องเลือกเอาพระที่มีธรรมะเยอะๆเอพระที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเอ เราลงมาก็พระอาหารหันตสาวกเราลงมาก็พระอน า, าคามีพระอะไรตามลำดับนะอันนี้เราต้องเลือกแล้วอันนี้เป็นผลตอบแทนเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการทำบุญจึงได้บุญสองอย่างบุญหลักกับบุญแถมเหมือนไปเตาหน้ามันนี่ได้สองอย่างได้น้ำมันกับได้ของแถมของแถมแต่ละปั้มก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม ถ้าเราต้องการของแถมชนิดไหนเราก็ต้องไปปั๊มนั้นถ้าต้องการน้ำเดิมก็ไปหาปั๊มที่แถมน้ำเดิมถ้าต้องการกระดาษทิชชู่ก็ไปปั๊มอันนี้ก็ต้องเลือกหวังว่าเข้าใจน ะ, ะค่ะคำถามจากคุณสมศรีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไปนั่งไปเข้ากรรมฐานมาโยมจะใช้พองยุบในการดูลมเข้าออกแต่เมื่อมีการคิดนึกฟุง้งโยมก็จะใช้พุทโธเป็นตัวกำหนดเพราะรู้สึกว่าการกำหนดพุทโธจะคุมสถานการณ์ได้สงบเร็วมากการกำหนดแบบนี้จะทำให้จิตสงบเร็วขึ้นมากเวทนาก็ไม่ค่อยมีเช่นนี้โยมทำถูกไหมคะ ถูกแล้วล่ะบางทีเวลาใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่เหมาะกับสถานการณ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนขับรถเนี่ยบางทีต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมพอจะมาขึ้นเขาจะใช้เกียร์แบบที่วิ่งบนที่ราบไม่มันไม่ไหวแล้วไม่มีกําลังก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ต่ําอันนี้ก็แบบเดียวกันบางทีดูลมถ้าจิตไม่ฟุ้งดูลมได้สบายพอฟุ้งนี่มันไม่ยอมดูแล้วก็ต้องเอาพุโทโธสู้กับมันแทน ก็ต้องดูสภาพของจิตใจแล้วว่ามันอยู่ในสภาพไหนเหมาะกับกรรมฐานแบบไหนคำถามจากคุณริกิดีกราบเรียนถามพระอาจารย์สภาวะของคณิกะสมาธิเราจะยังสามารถรับรู้ทางอยายตนะหยาบๆเช่นได้ยินเสียงหรือรับรู้เวทนาทางกายอยู่ไหมครับทั้งคณิกะทั้งอัปปนา t h i เหมือนกันคือเป็นความสงบรวมเป็นหนึ่งเหมือนกัน ต่างกันตรงที่สั้นหรือยาวคณิกะนี้ปั๊บเดียวหนึ่งขณะเขาเรียกเขาเรียกคณิกะปั๊แบบเดียวแบบนกกระจอะ ก, กินน้ําส่วนดึงงูแลบลิ้นเนี่ยพวกสมาธิแบบใหม่ๆจะเป็นแบบคณิกะจิตจะรวมลงแล้วก็สงบนิ่งขณะสงบนิ่งนี้มันก็แบ่งได้สองลักษณะสงบแบบยังรับรู้เสียงรับรู้อาการต่างๆทางร่างกายได้กับสงบแบบไม่รับรู้เลยคือหายไปหมดเลย อันนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันได้ทั้งสองอย่างดาจะเหมือนกันตรงที่ว่าถึงแม้จะรู้ว่าเจ็บก็แต่ใจไม่ไม่อดหงิดไม่ลำคาญไปกับความเจ็บไม่เหมือนตอนที่ยังไม่สงบตอนที่ไม่สงบนี่มันงดหงิดอดหงิดเยอะนะแต่พอจิตสงบปับ๊บมันปล่อยเลยมันเฉยมันยังอยู่กับมันต่อมันยังอยู่แต่ไม่ไม่ไม่มีปฏิกิริยากับมั น, มนเหมือนตอนที่ไม่สงบก็มีสองลักษณะด้วยกัน สงบแบบหายไปเลยก็มีอาการเจ็บพอจิตรวมลงปอบหายไปเลยก็ไม่ยั น, นอันนี้เราบังคับไม่ได้แล้วแต่กำลังของสติว่ามันจะเข้าไปในระดับไหนเข้าไปในระดับที่ยังรับรู้ร่างกายอยู่หรือเข้าไปในระดับที่ไม่รับรู้ร่างกายเลยก็ได้คำถามจากคุณดิศยากราบเรียนถามพระอาจารย์ เคยไปปฏิบัติธรรมในที่ที่วิเวกรู้สึกอยากกลับไปอีกอยากชนะความกลัวที่มืดกลัวผีให้หายไปแต่อีกใจก็ไม่กล้าทำอย่างไรทำอย่างไรให้มีกาลังใจดีคะหรือไปฝึกในที่ที่น่ากลัวน้อยกว่าไปก่อนดีคะก็ดูกําลังของเราว่าเราเร า, เราสู้ได้ขนาดไหนถ้ายัางกําลังไม่พอก็ต้องสร้างกาลังก่อนฝึกสมาธิฝึกสติในที่ปลอดภัยไปก่อน จนกว่าจิตเราจะมีกำลังพอที่จะรู้ว่าถึงแม้ไปอยู่ในที่กลัวเกิดความกลัวเราก็หยุดความกลัวได้เราก็ค่อยไปถ้าหยุดไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นบ้าได้ตเตลเิดเปิดเบิงไปเจออะไรขึ้นมาอย่าง น, นก็ต้องดูกำลังสติของเราว่าเราสามารถหยุดจิตของเราได้หรือเปล่า คำถามจากคุณวิชัยขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะการนั่งสมาธิที่ดีให้ด้วยเจ้าค่ะเราอย่งด้วยสติไงอย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องมีพุทโธพุทโธกำกับใจตลอดเวลาถ้าใช้พุทโธถ้าใช้ลมหายใจก็ต้องดูลมหายใจตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ อาการของจิตใจว่าตอนนั้นมันจะใช้จะใช้แบบไหนได้ประโยชน์กว่าถ้าใช้ดูลมไม่ได้ก็ต้องใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธก็ต้องขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่างเนี้ลอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้คําถามสุดท้ายนะคําออคถามจากพระแอดกราบสาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะ ดิฉันชอบฟังธรรมและสะ ส, สมบุญทีละเล็กทีละน้อยมาตลอดปัจจุบันอยู่กับสามีสองคนเราอายุหลังกเกษียณแล้ววันหนึ่งดิฉันบอกกับสามีว่าจะชวนเขาไปทําบุญและปฏิบัติธรรมพอเขาฟังเขาเปลี่ยนอารมณ์ทันทีแล้วบอกว่าไม่ต้องมาชวนไม่ต้องมาโน้มน้าวจิตใจเขาไม่ชอบเรื่องนี้เขาไม่ไปเขาจะไปในที่ ที่เขาชอบดิฉันเลยไม่สบายใจที่เขาตอบแบบนี้เราจะบาปหรือเปล่าคะที่ทําให้เขาไม่พอใจสาธุพระอาจารย์ค่ะอ๋อไม่บาปหรอกเราก็ชวนเข้าไปในทางที่ดีแต่ถ้าเขาไม่ชอบไปก็ึกเราจะได้รู้ไงะแต่ต่อไปก็อย่าไปชวนเขาเท่านั้นเองเราต้องยอมรับว่าคนเราชอบอะไรไม่เหมือนกันบางคนชอบ กินข้าวผัดเราไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เขาเขาก็ไม่กินนะเรากท็ทำแต่ในสิ่งที่เขาชอบถ้าเราอยากจะอยู่ด้วยกันรักกันเราก็ต้องทำในสิ่งที่เขามีความสุขอย่าไปทำในสิ่งที่เขามีความทุกข์ถ้าไปทำในสิ่งที่มีความทุกข์เขาไม่มีความสุขกับเราเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราใช่ไหมเออเหงา ต้องเข้าใจว่าดีแล้วเขาก็พูดตรงไปตรงมาเราก็พูดตรงไปตรงมาก็ถูกแล้วเพียงแต่ว่าอย่าเอาแพ้เอาชนะกันเท่านั้นต้องยอมรับกันต้องว่าคนเรามีความต่างมีความเหมือนองนั้นถ้าส่วนความต่างเราก็อย่าไปยุ่งกันเอามายุ่งแต่เรื่องของความเหมือนเราชอบทำอะไรร่วมกันเราก็ทำอย่างนั้นไปอย่างไหนที่เราไม่ชอบทำร่วมกันก็ตัวใครตัวมันไปเอาแล้วนะวันนี้